ในในครั้งที่แล้วเนี่ยได้พูดในเรื่องของพรหมวิหารที่นี้พรหมวิหารยังยังต้องต่ออีกนะครัครั้งที่แล้วนั้นยังยังไม่จบได้พูดถึงในเรื่องของเมตการเจริญเมตตาเนี่ยที่นี้ในการเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยเป็นกิจในการที่ควรจะกระทาอย่างยิ่งในคำสอนท่านกล่าวกันในเรื่องของการเจริญเมตตาเขาไว้ว่าลักษณะของเมตตาเป็นต้นนั้นนั่นเป็นอย่างไรเนี่ย ตรงนี้ก็ไปทบทวนคําสอนตรงนั้นอีกนิดหนึ่งก็คือในกัมพีอตกถาท่านบอกลักษณะของเมตตาเขาไว้บอกเมตตานั้นมีความเป็นไปโดยการเกื้อกูลเป็นลักษณะคือลักษณะของเมตตานั้นมีความรักความปรารถนาดีในความเกื้อกูลอาการที่เป็นไปทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาวาจีกรรมประกอบไปด้วยเมตตาและ มนโนกรรมหรือการคิดก็ประกอบไปด้วยเมตตาเขาเรียกว่าเกื้อกูละเป็นลักษณะแล้วก็มีอันนําประโยชน์เกื้อกูลเข้าไปให้เป็นรับเป็นลดหรือเป็นลาษักกิตของเมตตาก็คือการนําประโยชน์ไปให้เขาสังเกตได้ว่าถ้าเมตตาเกิดขึ้ น, นะ เ, น, นเนี่ยถ้าเมตตานั้นนะออกมาทางกายกรรมก็จะประพฤติกายกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลอีกถ้าเมตตานั้นออกมาทางวาจิกรรมคําพูดนั้นก็จะออกไปเป็นพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แนะนำบุคคลอื่นที่ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นต้นถ้าเมตตาออกมาทางด้านความคิดนึกการคิดนึกนั้นก็เป็นไปาทางมโนกรรมเนี่ยนะคือคิดอะไรกับเขาเนี่ยมันก็เป็นไปกับเมตตาดังที่ได้กล่าวไว้ก็บอกว่าถ้าหากว่าเมตตานั้นมาอยู่ที่จิตใจของท่านผู้ใดแล้วเนี่ยนะหรือท่านผู้ใดบริหารเมตตาเป็นเนี่ยนะ ก็อาศัยคุณธรรมเก่าวคือศรัท ธ, ธาวิริยาสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นต้นนั้นมาคอยประคับประคองทำให้เมตานั้นเข้าถึงความเจริญรุ่งเรืองเป็นต้นดังนั้นท่านถึงบอกว่ามีการนำประโยชน์เกื้อกูลเข้าไปให้เป็นรถเป็นรษ ะ, ะถ้าต้องการอยากจะทราบว่าเมตานั้นเน่ะมันมีผลผลปรากฏของเมตานั้นเป็นอย่างไรก็สังเกตได้ตรงที่ว่า มีการนำความอาฆาตออกไปเสียได้เป็นเครื่องปรากฏเช่นความอาฆาตความพยาบาทความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านความไม่สบายใจเนี่ยนะนะที่มันมีอยู่ในกระแสจิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะนะถ้านยังนำออกไม่ได้อันนั้นบ่งบอกว่าเมตตา ย, ยังไม่มีผลแต่ถ้าหากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันออกจากใจเราได้เนะ ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่หงดหงิด ห, หรือมองเห็นหน้าใครก็ไม่หงดหงิด ต, ตอนท่านากับใครก็ไม่พุ่งจานอย่างนี้เป็นตนน้นเนี่ยเนี่ยตัวอย่างนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าเราเอาความอาฆาตเนี่ยนะยเอาความพยาบาทเนี่ยออกจากใจเราได้แล้วถ้าเอาความอาฆาตเอาความพยาบาทออกจากใจเราได้อันนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าผลปรากฏของเมตตาเนี่ยมันเกิดแล้ว ไม่ใช่บอกว่าเออตอนนี้เราจเจริญเมตตาแต่ว่าใครพูดกระทบนิดหน่อยก็ไม่ได้ก็งดหยิดอยู่เรื่อยเนี่ยอันนี้บ่งบอกได้เลยว่าจริ ง, รงๆแล้วเมตตายังไม่เกิดผลที่เมตตายังไม่เกิดผลนั้นก็เพราะว่าการอบรมการเจริญหรือการที่จะพอกคูนนั้นยังไม่ชัดเจนนยังยังเกิดขึ้นไม่ไม่มากท่านจึงบอกว่ามีการนําความอาฆาตคําว่านําความอาฆาตในที่นั้นก็คือความพยาบาทเนีย โทสะเนี่ยความประทุสลายความปองร้ายต่างๆเหล่านี้คือเป็นจิตเรอเป็นเป็นเวว จ, จนะเป็นคําเป็นชื่อของโทสะเป็นชื่อของปาาิยบัตองคธรรมก็คือโทสะเจตสิคือโทสะจิตที่มีโทสะเจตสิกเป็นมูลเป็นประธานก็คือความหงุดหญงิดพุ่งต้านความโกรธรวมไปถึงกระแสจิตที่ไม่สบายใจในเนื่องความรู้สึกที่ไม่ก็สบายใจแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เกิดขึ้น นั่นบ่งบอกว่าเรายังนําสิ่งต่างๆตรงนี้ออกไม่ได้ทีนี้ถ้าหากมันมีอยู่ในใจเราเนี่ยนะในขณะที่โทสะเกิดขึ้นเนยมันจเจริญเมตตาไม่ได้นะทีนี้ถ้าจะเจริญเมตตาเนี่ยก็จะต้องขจัดไอ้พวกโทสานี้ออกให้ได้ทีนี้โทสะจะออกเมื่อออกไปแล้วเราก็อบรมเจริญเมตตากเเ็เมื่อเมื่อเตตานี้เขาเกิดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะกันสภาพของจิตที่เป็นโทสานี้ได้ ประการต่อไปก็คือมีความระ ง, งับ <c oughs> หมายความบอกว่ามีอันมองเห็นความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นที่น่าเจริญใจเป็นเหตุใกล้งสังเกตดูว่าเหตุใกล้ในที่นั้นคือเหตุใกล้ชิดของใจก็คือว่าอารมณ์ใดๆที่เข้ามาทางทาวารตาหูจมู ก, กลิ้นกายใจเนี่ยเราเห็นก็ก็เจริญใจได้ยินก็เจริญใจคือจิตมันไม่เศร้าหมองอะ่ะให้สังเกตดูว่าเสียงบางเสียงเราฟังแล้วเราเศร้าหมองใช่ไหม เสียงบางเสียงเราฟังแล้วจิตเราก็ธรรมดาเฉยๆเสียงบางเสียงฟังแล้วเราก็ชอบเนี่ยอันนี้บ่งบอกว่าใจไม่มีเมตตาแต่ถ้าใจใจมีเมตตาเนี่ยนะฟังเสียงมันก็เจริญใจคือคือน้อมจิตไปในการที่จะปรารถนาให้เขามีสุขปราศจากทุกข์มีใจเบกิกบานอย่นมันจะเป็นไปลักษณะไหนเนี่ยเออถ้าคิดถึงใครก็โอ้รู้สึกมีความสุขเป็นอย่างนั้นไหมก็คิดถึงแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะเออ ใครก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกเราเนี่ยเรามีความสุขหมดเลยี่คือมันมันบันเทิงใจอ่ะคําว่าบันเทิงใจในที่นั้นหมายความว่ามันเกิดความสุขใจเกิดความปลื้มใจเกิดความดีๆพอเรามองส่วนที่ดีๆคือเราคิดเป็นไงคิดถึงใครก็อย่างยกตัวอย่างในะคนบางคนเนี่ยมันมีจุดดีจุดเสียกันแย่ๆหมดใช่ไหมแต่เขาสามารถแยกแย ก, แยกทิ้งจุดเสียแล้วจุดดีมามองแล้วเขาก็จเจริญเมตตาได้เงี่ยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าฉลาดคิด บางคนเนี่ยติดขัดอยู่นี่แหละแล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆนะลองสังเกตลองไปสนทนากับคนบางคนดีคือเขาเขาทุกข์ใหญ่มากเขาสามารถที่จะเอาเอาใครมาวิจารณ์แล้วเขาก็จะพูดได้ทุกเรื่องอนะ่ะพูดซะจนเรามองดูแล้ว<ๆ>คนคนนี้แย่จริงอ่ะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนี่ก<ๆ>็เรี<ๆ>ยกคนคนไม่ฉลาดคิดคือคือได้ความทุกข์จากการสนทนาบางจากการคิดไม่เป็นมีความ ระ ง, งับไปแห่งพยาบาทเป็นสมบัติของเมตตานั้นคือเมตตาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วถามว่ามันจะเป็นว่าระ ง, งับสมบัติเออขอ้อผิดระงับพยาบาทได้นะั้นเป็นสมบัติคําว่าสมบัตินี่แปลว่าเป็นความสมบูรณ์ของเขาเขาสามารถระ ง, งับได้ในชะ่ไหมเอาในกระแสจิตที่ผ่านมาเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็พอใจไม่พอใจเนี่ยนะ แต่พอจเจริญเมตตาพออบรมเมตาเาเมตามากขึ้นมากขึ้นไอ้ตัวเมตตาจะระ ง, งับพยาบาทนี่พอใจมันไม่เป็นใบกับพยาบาทแล้วมีความสุขนคนเนี้ยนอนก็ยิ้มมีความสุขเยอะถ้าพยาบาทเกิดขึ้นมาเนี่ยโอย้นอนอยู่ก็เป็นทุกข์เป็นยังไงไหยพยาบาทมันเกิดเยอะประการต่อไปก็คือว่ามีความเกิดขึ้นแห่งสิเนหะเป็นวิบัติแห่งเมตตาก็คือว่าตัวเมตตาเนี่ยเขามีตัวราคาราคานี่ยเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นปฏิปักษ์ใกล้ชิดเนีย คือเวลาเจริญเมตตาเนี่ยนะต้องระวังอยู่ว่าเวลาเจริญไปแล้วไม่คอยระวังสังเกตใจเนี่ยบางทีมันกลายเป็นราคะอันนี้เขาหมายถึงอารมณ์ที่ตรงกันข้ามอารมณ์ที่เป็นวิสภาคารม mm. เช่นถ้าเราจะเจริญเมตตาให้กับเพียตรงข้ามเลยเนี่ยในขณะที่เราเจริญถ้าไม่ระวังใจให้ดีบางทีเมตตาทีแรกก็เกิดเป็นเมตตาแต่พอเจริญไปเจริญไปกลายเป็นราคะ เลยไปชอบเลยเคยกำหนัดเลยไปยินดีไปเกิดความเพลิดเพลินมีเสียหายแล้ะตรงนี้ไม่ดีในวิมุตติมารคในคำพีวิมุตติมารคท่านกล่าวบอกว่าอะไรเป็นปัจจุบัตอะไรเป็นอะไรคือเมตตาอะไรเป็นปรจจุบัตฐานอะไรเป็นลักษณะอะไรเป็นประทาฐานของเมตตาแล้วก็ดังที่ได้ยกตัวอย่างไว้นะว่าถ้าสังเกตโดยอันนี้พอทบทวนหน่อยนะไม่ยากก็คือว่าเมื่อมองดูบุตรน้อยของตน ก็ทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาปรารถนาดีให้บุตรน้อยนี้ฉันใดพระโยคีบุคคลหรือบุคคลที่อบรมเจริญเมตตาก็อย่างนั้นให้สังเกตดูอกว่ามารดาที่เขาเมตตาบุตรอย่างไรกลุ่มบุคคลที่เจริญเมตตาก็คือว่ามีจิตปรารถนาดีมีความรักความปรารถนาดีเหมือนมารดาปรารถนาดีต่อบุตรคนเดียวของตนเองฉันนั้น เออถ้าเราจะทําใจของเราให้เป็นไปในลักษณะเมตตาแบบนี้ทําไม่ใช่ง่ายเนอะเช่นเราจะมองเหมือนมองทุกๆคนเนี่ยนะให้เหมือนกับว่ามารดาบิดามารดามองบุตรน้อยตนเองทํายากไหมเนี่เราไม่ได้ไปบอกใครใช่ไหมแต่ว่าเราจเจริญถ้าทําใจให้เราได้อย่างนั้นน่ะดีไม่ใช่ว่าเออถ้าเรามองทุกคนเป็นบุตรเด็กเขาจะมาขอของเราจะไปยิด ไม่ได้อย่างนั้นเราคือทําจิตของเราให้มันเข้าถึงสิมมะสัมเพย์ดันั้นความสงบนิ่งแห่งเมตตาอันนั้นประการต่อมาก็คือว่าการทรรําจิตประกอบไปด้วยเมตตาปรารถนาดีให้เกิดขึ้นแก่สรรสัตลักษณะความสงบนิ่งแห่งจิตในการบาเพ็ญ น, นี้เรียกว่าปัจจุบฐานของเมตตา ตารทําความปรารถนาดีเกิดขึ้นเป็นลักษณะของเมตตาความคิดที่ประกอบไปได้วยเมตตาเป็นลสของเมตตาอาโทสาก็เป็นประทัดฐานของเมตตาคือต้องสังเกตให้ดีว่าอาโทสากเยตสิกเนี่ยนะอาโทสากเยตสิกคำว่าอ า, อาโทสากเยตสิกนี่คือเยตสิกที่ประกอบไปด้วยคือเป็นชื่อของเยตสิก ก็คือเมตตาเนี่ยจะมีสัตว์บรญยัติเป็นอารมณ์เนี่ยเพราะเมตตาเนี่ยก็มีสุขคิตสัตว์ปัญญัติเป็นอารมณ์คําว่าสุขคิตสัตว์ก็แปลว่าสัตว์ที่กําลังกําลังได้รับความสุขหรือมองเห็นบุคคลทั่วๆไปที่เขาประสบความสุขความเจริญเย่างนะี้หรือมองโดยทั่วๆไปก็คือว่ามีมีบัญญัติลักษณะอย่างนี้เป็นอารมณ์ ประการต่อมาก็คือว่าเมตตามีความปรารถนาดีความมีเมตตรีความเยื่อใยความเป็นผู้มีความรักแล้วก็ปรารถนาผู้อื่นตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายประสบสุขแสวงหาการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นความอนุเคราะห์ปราศจากเวรภัยความไม่พยาบาทการไม่ทําลายล้างไม่จองเวรซึ่งกันและกันมุ่งความสุขความเจริญแก่สรรพสัตว์ในโลกเสมอ ให้เหมือนกันหมดเมตตาเป็นกุศลมูลซึ่งมีลักษณะที่เป็นนามธรรมและบุคคลสามารถที่จะให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมได้ด้วยการแสดงออกมาทางกายกรรมหรือการแสดงออกมาทางวาจีกรรมที่เขาบอกว่ากายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาวาจีกรรมประกอบไปด้วยเมตตานั้นเขาเรียกว่า เ, ออเมตตาเนี่ยเป็นนามธรรมนะเกิดในใจแต่มันแสดงออกมาได้ทางกายทางวาจานนี้เราก็สังเกตได้ตรงตรงนั้น นั่นความปรารถนาดีความรักความเมตตาเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในใจแต่ว่าไอเมตตาตรงเนี้ยสามารถที่จะเอื้อมออกมาทางกายทางวาจาได้ปฏิปักษ์ของเมตตาคืออะไรอะไรเป็นปฏิปักษ์สิ่งที่เป็นศัตรูการสิ่งที่ตรงกันข้ามหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเมตตานั่ยแหละเขาเรียกปฏิปักษ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเมตานี่เป็นธรรมะฝ่ายกุศลและธรรมธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับเมตาก็เป็นธรรมะฝ่ายอากุศลใช่ไหมทีนี้เขาเรียกว่าค่าศึกค่าศึกนั้นมันมีอยู่สองอย่างค่าศึกไกลกับค่าศึกใกล้ค่าศึกใกล้ของเมตตาได้แก่ราคะ นี่ต้องจำมาไว้เลยนะเวลามาเจริญเราจะได้สามารถขจัดได้ความกําหนัดความยินดีในกามเพราะมีส่วนเข้ากันได้โดยมองในแง่ที่เป็นคุณด้วยกันเหมือนอะไรเหมือนศัตรูของบุรุษทู่อยู่ใกล้ชิดย่อมได้โอกาสในการทําลายล้างได้เร็วกว่าศัตรูที่อยู่กันฉะนั้นในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านตรัสไว้บอกว่าราคะกับเมตตานั้นต่างก็ มองคนอื่นในแง่ที่เหมือนกันราคะเนี่ยใกล้กับเมตตามากถ้าผู้ปฏิบัติเผลอนิดเดียวเนี่ยนะราคะก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่เมตตาทันทีฉะนั้นราคาย่อมได้ช่องได้โอกาสขึ้นเร็วมากดังนั้นคนปฏิบัตินั้นต้องคอยระวังใจว่าอย่าให้ราคะเข้ามาเกี่ยวพที่นี้สภาพธรรมของราคะเนี่ยนะ เป็นกิเลสในบรรดาอนุสัยกิเลสทั้งเจ็ดประการเนี่นนยนะราคาเป็นกิเลสเขาเรียกเป็นกิเลสกามนนเนี่ยนะทีนี้ความรู้สึกยินดีพอใจในวัตถุกรรมคือสิ่งที่น่าปรารถนา <i alled> น่าไข่น่าพอใจนะมีอยู่ห้าประการ rett. รูปที่น่าปรารถนาน่าไข่น่าพอใจเป็นที่ตั้งเห็นความกำหนัดซึ่งเห็นได้ทางตาเนี่ยนะเสียงที่น่าปรารถนาน่าไข่น่าพอใจเป็นที่ตั้งเห็นความกำหนัดซึ่งฟังได้ด้วยทางหู รื่นที่หน้าปราถนาหน้าไข่หน้าพอใจแล้วก็เป็นที่ตั้งเห็นความกําหนัดซึ่งจะรู้ได้ทางจมูกรถที่หน้าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจเป็นที่ตั้งเห็นความกําหนัดซึ่งรู้ได้ด้วยริ้นนี่นแล<ะ>้ว <shadows> ก็โพธะะที่หน้าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจเป็นที่ตั้งเห็นความกําหนัดรู้ได้ด้วยกายทีนี้กิเลสคือราคะหรือที่เรียกว่าราคานุใสเนี่ยเป็นกิเลสที่มี นอนเนื่องอยู่ในขันฝังลึกอยู่ในจิตใจของตัทุกจําพวกเพิ่งเป็นโลกิยาบุคคลนี่นะหมายความบอกว่าเว้นพาาระรหันเท่านั้นนะนอกนั้น่ะมีราคะกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าราคะจะแสดงออกเมื่อไหรใครจะป้องกันได้มากอย่างไรอันนั้นก็ อ, อีกอย่างดังนั้นกิเลสชนิดนี้จึงมีอยู่แก่ทุกคนนะเว้นพาารนะรหันไม่ถึงกันนั้นก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความ กระทำความชั่วร้ายสําหรับบุคคลผู้ดําเนินชีวิตยอยู่ในกรอบของจรลยธรรมหรือในกฎหมายหนี่งแต่ถ้าไม่รู้จักควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้ดีปล่อยใจให้ถูกราคาครอบงําถ้าราคากําเริบขึ้นมาแล้วเนี่ยราคานั้นเกิดในจิตมากขึ้นถ้ามีกําลังมากขึ้นในที่สุดก็แสดงออกมาด้วยการทําชั่วทางกายบางทางคําพูดบ้างเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นลักษณะของราคาเนี่ยก็เรียกว่ากามาคุณ เครื่องผูกมัดนะี่เนีส่วนตัววัตถุกรรมเนี่ยในคัมภีร์โดยทั่วๆไปท่านจะบอกอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโภชพะอันเป็นที่ชอบใจเครื่องลาดเครื่องนอนเครื่องนุ่งหม่มเป็นวัตถุที่ตั้งความกำนัดอย่างใดอย่างหนึ่งนะั้นเรียกวัตถุกามวัตถุกามมีหน้าปราถนาหน้าไข่หน้าพอใจได้ แ, แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นเหล่านเนี่ยเนี่ยที่เป็นของมนุษย์แต่และ อย่างเดียวเท่านั้นแต่ความจริงแล้วอ่ะครอบคลุมไปถึงไม่ว่าจะเป็นสมบัติในการมาพบรูปพบและในรูปบพบก็จัดว่าเป็นวัตถุ ก, การมส่วนที่ตัวกิเลสกามเนี่ยเนี่ยคือความยินดีความพอใจความเข้าไปติด ก, กําหนัดเนี่ยกิเลสกามเนี่ยความกําหนัดยินดีไข่พอใจในอะารมณ์ต่างๆเป็นต้นเหล่านั้นถ้าจากคําสอนตรงนี้ก็จะสังเกตได้บอกว่า ถ้าหากว่าเจริญเมตตาไม่ละมัดระวังให้ดีราคะมันก็จะเข้ามาแทนที่เมื่อราคะเข้ามาแทนที่ตัวราคะนี่ก็จะเข้ามาเกิดในใจบุคคลที่เจริญเมตตาไม่ละมัดระวังก็ไปสําคัญว่าใจมีเมตตาทั้งทัที่ราคะเล่นงานอะไรนั้นก็ต้องคอยระวังตัวนั้นอันนั้นก็จึงเรียกว่าเป็นค่าศึกษา ส่วนค่าสึดไกลของพยาบาทของเมตตาก็ได้แก่พยาบาทคือความขัดเคืองความคิดร้ายเนี่ยพยาบาทเป็นความรู้สึกปองร้ายต้องการให้ผู้อื่นปร ะ, ประสบความพิาุนาย่ยับอันเนื่องมาจากเทียดแค้นชิงชังเป็นต้นเหล่านี้เนีฉะนั้นตัวพยาบาทเนี่ยเป็นเป็นปฏิปกะธรรมเป็นค่าสึกไกลของเมตตาเพราะมีลักษณะแตกต่างกันกันกบเมตตา เหมือนคนที่เป็นศัตรูกั น, น่ะอยู่ไกลกันดังนั้นจึงรู้ได้ง่ายถ้าถามบอกว่าพยาบาทเนี่ยรู้ได้ง่ายไหยรู้ได้ง่ายไม่เหมือนลาคะความโกรธความหงุดหงิดเวลาเกิดขึ้นมาก็รู้ได้ทันทีว่าอันนี้ตอนนี้เกิดขึ้นมาแล้วพยาบาทคืออาการที่มุ่งร้ายต่อผู้อื่นอัตถกาถาท่านวิเคราะห์บอกว่ามาจากคาว่าพยาปิดคติมีแต่สุ ข, ขังเอเตนาติพยาบาโทน่เนี่ยก็แปลว่าพยาบาท ก็แปลว่าประโยชน์และความสุขย่อมเสียหายไปด้วยโทสะอันใดฉะนั้นโทสะ น, นั้นเชื่อพยาบาทเขาบอกว่าประโยชน์ก็ดีความสุขก็ดีที่มันเสียหายไปเนี่ยเสียหายไปด้วยโทสะอันใดด้วยความโกรธอันใดไอ้ความโกรธประเภท น, น, นั้นเรียกว่าพยาบาทคือเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วความสุขก็หายประโยชน์ในปัจจุบันเราพบประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งก็หายอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าตัวพยาบาท ในสุมังคะวิราเสนีอธิบายถึงเหตุเกิดเหตุละและทำสําหรับละพยาบาทไว้บอกว่าเหตุเกิดของพยาบาทพยาบาทเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอโยนิโสมนัิการคือการไม่ไข่ควรการไม่พิจารณาโดยอุบายอันแยบคายเนี่ยนะเป็นปัจจัยเกิดพยาบาทคือเช่นน้อมใจไปในปฏิฆานิมิตแล้วก็ไม่มน า, า, น, านั่งการโดยแยบคายเนี่ยในที่สุดจริงๆต้องหดหยุดจนได้ ถ้าเราเอาไปพิจารณาหรือไปคิดถึงสิ่งใดแล้วเราไม่สิ่งนั้นทั้งทๆ ท, ที่มันเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจยกตัวอย่างเช่นนะเอเราจะไปหาคนคนเนี้ยและคนคนนี้เราก็ไม่ค่อยชอบหน้าอยู่เดิยเนี่ยนะและจะต้องไปสนทนาด้วยเนะี่ยโอ้โหถ้ามนาุษยการหรือตั้งใจไปไม่ดีวันนั้นโกรธตายเลยหรืออารมณ์ใดก็แล้วแต่ที่มันไม่ชอบใจเนี่ยเนะี่ยซึ่งเราไม่ค่อยชอบพอชอบใจอยู่แล้วเนะี่ย แต่อารมณ์ประเภทนั้นถ้าเราน้อมใจคิดไปถึงเรื่องนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าน้อมหาปฏิคฆานิมิตคืออารมณ์ที่จะเป็นปัจจัยเกิดความโกรธแล้วถ้าเราใส่ใจโดยไม่แยกคายเขาอีกเนะคิดไม่รอบคอบไม่ใคร่ควรให้ดีในที่สุดจริงๆพยาบาทก็เกิดอันนี้เขาเรียกว่าย่อมเกิดขึ้นเพราะอายโยนิโสมนัิการในปฏิคฆานิมิตคําว่าอายโยนิโสมณัิการคืออุบายพิจารณาโดยอุบายอันไม่แยกครพิจารณาไม่ถูกทางไม่ถูกวิธี น, น คิดไปในไหนคิดไปในปฏิฆานิมิตรู้จะคําว่าปฏิฆานิมิตั้มรู้ไหมหมายถึงอะไรคาว่าปฏิฆานิมิตเนี่ยได้แก่อะไรได้แก่โรคเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสหรือธรรมารมปฏิฆานิมิตเนี่ยได้ทั้งหมดนั่นแหละคําว่าปฏิฆานิมิตเนี่ยเช่นเช่นสมมุติว่ากล่องใบเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ชอบบางทีเห็นเนี่ยมันก็เป็นปฏิฆานิมิตสําหรับเราทันทีอารมณูปารมณ์มันนี้ บางทีไม่ใช่ว่าไม่อยากเห็นเท่านั้นบางทีไม่อยากได้ยินเสียงเลย เ, เพราะวขยาว่าไอ้ไหมไอ้เสียงที่มันดังขึ้นมาก็เป็นปฏิฆานิมิตอีกถ้าเราใสา่ใจไม่ดีมันจะเป็นโทสะเกิดในใจเราแล้วไม่ใช่แค่แค่เสียงเท่านั้นให้ดมกลิ่นก็ยิ่งหอ้ไม่ชอบเอาเพวกให้กินโอ้ยิ่งไม่ชอบใหญ่อย่างเงี้นะลักษณะอย่างนี้แต่ว่าบางอย่างไอ้ปฏิฆานิมิตบางอย่างเนี่ยบางครั้งเฉพาะสีเท่านั้นเป็นปฏิฆานิมิต แต่เสียงนั้นเป็นเป็นสุภาณีนิดก็ได้แล้วยัยไมของบางอย่างเนี่ยเราไม่ชอบสีแต่เราชอบเสียงของบางอย่างเราไม่ชอบสีไม่ชอบเสียงแต่ชอบกลิ่นอะไรของบางอย่างไม่ชอบสีเสียงกลิ่นแต่ชอบรสบางอย่างไม่ชอบสีเสียงกลิ่นรสแต่ชอบสัมผัสอะไรเงี้ยเนี่ยบางอย่างไม่ชอบหมดเลยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ชอบเวลาคิดถึงก็ชอบ แต่อย่างนี้ปฏิฆานิมิตเนี่ยมันมันมีได้ถ้าสังเกตให้ดีว่าคืออารมณ์ที่อันเป็นที่ตั้งของโทสะก็เรียกวปฏิฆานิมิตมีเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าอโยนิโสมนิสการในปฏิฆานิมิตจะเป็นปัจจัยให้เกิดพยาบาทจะเป็นปใจใัจจัยเกิดโทสะถ้าเหตุละละ่ะพยาบาทนั้นจะละได้ด้วยการใส่ใจโดยแยบคายในเมตตาเจโตวีทีนี้ถ้าเรามองใครเนี่ยเรามองหน้าใครแล้วมันเกิดโทสะ แสดงว่าอารมณ์นั้นเป็นปฏิคารีมิสําหรับเราที่จิงอารมณ์นั้นเน่ยถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยมันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะใช่ไหมอารมณ์นั้นก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่โทษคือการที่เราใส่ใจไม่ถูกดังนั้นเราคิดไม่เป็นดังหากบางครั้งจึงเกิดชอบไม่ชอบเนี่ยเกิดเมตตาบ้างเกิดโทสะบ้างไม่รู้ใครเป็นอะไรบอกว่าคนคนนั้นทําให้เราโกรธว่าไงที่จริงเนี่ยถามบอกว่า มีคนคนหนึ่งคนนั้นถ้าถ้าเราไม่เห็นหน้าคนนี้เสียเราคงไม่โกรธเราก็เลยไปโทษว่าเพราะเห็นหน้าคนคนเนี้ยเราจรึงโกรธเราลืมคิดไปว่าเพราะจิตเราคิดไม่ดีเนี่ยเราจึงไปโกรธแล้ว เ, เราลืมลืมมองตรงนี้เพราะเราใส่ใจผิดใช่ไหมถึงถึงไปโกรธ ถ, ถ้าหากเราแยกแยะในในกลุ่มของการเจริญกรรมฐานเนี่ยดีเนี่ยเราไม่โกรธหรอก ถ้าเราเออเราโกรธผมหรือโกรธขนหรือโกรธเล็บหรือโกรธฟันโกรธหนังโกรธเนื้อโกรธเอ็นโกรธกระดูกโกรธเดือในกระดูกถ้ามาวิจัยอย่างนี้เป็นต้นก็ก็จะละพยาบาทละความโกรธดังนั้นเหตุละพยาบาทก็คือละได้โดยการใส่ใจโดยแยบคายในเมตตาเจโตวิมุตต์ก็คือถ้าเราไม่ชอบใจอารมณ์ไหนก็ทําเมตตาให้เกิดขึ้นในอารมณ์นะพูดง่ายทํายากเนี่ยนะคือถ้าเราไม่ชอบใจใครเนี่ย ทำเมตตาให้เกิดขึ้นแล้วก็มองใหม่มองเรื่อยๆนะสมมุตินะในกลุ่มการเจริญเมตตากันนี้เราแผ่เจริญเมตตาให้ตนเองเป็นต้นนี้เนี่ยจนจนชัดเจนเบิกเสร็จแล้วก็แผ่ไปคนที่เราเคารพเราบูชาแล้วก็แผ่ไปคนคนกลางๆแล้วก็แผ่ไปให้กับสตูหรือคนที่เราไม่ชอบพราะวางจิจไปที่คนที่เราไม่ชอบปุ๊บพอเมตพอโทสะมันเกิดปุ๊บต้องรีบชักหนีเนี ตรัมาตั้งไว้ที่คนที่เราเคารพเป็นต้นอีกทำใจให้มันให้เมตตาเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยน้อมไปไหมจนกว่าจะยกจิตที่ที่มีเมตตาเกิดขึ้นอย่างสูงแล้วก็มองอารมณ์ที่เราเคยโกรธจนกลายเป็นหูมีความละความปรารถนาดีความเออื่อถนจนเสมอเหมือนกันได้เ อ, อ้ยนี่ใช้ได้แล้วก็ฝึกทําบ่อยๆนะไม่ใช่ว่าไม่ฝึกเลยเนีย ใครเราไม่ชอบหน้าก็อย่าไปคิดถึงมันเนะ่ยวิธีการทุกวั น, ท, วนทุกวันเขาเขาทำกันอย่างนั้นนี่ยไอ้คนคนนี้เขาบอกว่าอมันไม่ชอบเราไม่เราไม่ชอบมันก็ต่างคนต่างอยู่วนะ่างั้นก็ไม่ต้องเดินกันคนละทางก็ว่างั้นนะ่ะแล้วเขาพอคิดว่าเขาทาถูกนะอย่างนี้ก็เรื่อเจริญเมตตาไม่เป็นถ้าคนเจริญเมตตาเป็นบางทีบอกว่าเอ๊ะก็คนมันไม่ถูกกันแล้วจะไปคิดถึงเขาทำไมจ ะ, ม, ะมั้งแค่นี้ไงเป็นยังไงไม่ทําได้นะ ที่จริงเราก็คิดถึงเขาอยู่แล้วถึงเราไม่ชอบคนคนนี้เราก็คิดถึงเขาอยู่แล้วแต่ว่าคิดแบบไม่ชอบเราคิดทีไรเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมอ่าเราก็ทําไมไ ม, ไม่ไม่บริหารใจใหม่น้อมแผ่ใหม่แล้วก็ลองไปลองไปยั่งเชิญดูว่าเออมันมันถอนได้ไหมถ้ามันถอนไม่ได้ก็กลับมาเล่นใหม่แหมพอจเจริญเม้ตาให้กับศัตรูนี่หลายหลา ย, หลายคนนี่ลำ บ, บ, บ, บากใจลำ <laughs> บากใจไหมลำบากใจ โ ย, ยมพิเศนมีไหมมีมีมีโกรธใครจนถึงทุกวันนี้มีไหมไม่มีย ม, มีแบบเห็นทีไรก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นี่นมี้หถ้าเจริญเมตตาถึงขั้นแล้วไม่มีอยนั้นทำสําหรับละพยาบาท น, นั้นนะนะท่านกล่าวไว้หกประการเหมือนกันการกําหนดนิมิตในเมตตาเป็นอารมณ์ถ้าเราต้องการอยากจะละพยาบาทนะก็พยายามเจริญเมตตาเป็นเนืองนิดมองมองคำว่านิมิตเน่ะแปลว่าเครื่องหมาย เพราะว่าการที่เรานึกถ va ึงใครเนี่ยเราก็นึกถึงนิมิตของคนคนนั้นนิมิตเอ่นิมิตหมายความว่าทั้งรวมทั้งหมดของเขาเนี่ยเครื่องหมายเครื่องหมายที่เป็นคนคนนั้นแต่พอเรานึกถึงเครื่องหมายของคนตัวนั้นคนบางคนเนี่ยนะเออไม่ใช่แค่เห็นหน้านะเห็นเสื้อผ้าแล้วก็โกรธเนี่ยอันนี้นี้ถือว่าหนักนะเห็นเสื้อผ้าเห็นเครื่องแต่งตัวเห็นเครื่องประดับแค่เห็นรถนะนะ ไม่ต้องเห็นตัวเห็นเห็นรถรถจอดอยู่นึกฉุนขึ้นมาเนี่ยเนี่ยอนี้แสดงว่าเมตตาไม่เกิดนี้ต้องต้องเจริญต้องอบรมอะ่ะเหตุเหตุในการละก็คือว่าการกําหนดนิมิตในเมตตาเป็นอารมณ์กําหนดนิมิตในเมตตาเป็นอารมณประการที่สองก็คือการประกอบเนืองเนืองในเมตตาโทนึ ประกอบเนืองเนืองในเมตตาภาวนาก็หมายความว่าทาํภาทําเมตตาภาวนาให้เกิดขึ้นทําเมตตาภาวนาให้เกิดขึ้นเสมอเสมอคำว่าทําเมตตาภาวนาให้เกิดขึ้นเสมอเสมอก็คือทําบ่อยๆทําใจให้เป็นไปกับเมตตาให้ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนคูยเหยียดต่างๆเหล่านี้เราเนี่ยก็ทําใจให้เป็นไปกับเมตตานั้นๆเออถ้าทําได้จะดีมากนะเมตตาเนี่ยปกติเราสวดมนต์ไหว้พระแล้วเราก็จเจริญเมตตายจน แค่นี้ไม่พอไม่พอก็หมายความบอกว่าเรายืนเดินนั่งนอนก็นึกถึงใครทํากิจอะไรต่างๆก็พยายามเจริญเมตตาไปมากๆทีนี้การเจริญเมตตาเนี่ยถ า, ถามบอกว่าเ้ยสลับกับกรรมฐานอื่นได้ไหมได้คือการเจริญเมตตาเนี่ยเป็นสมถากรรม ฐ, ฐานใช่ไหมเป็นสมถกรรม ฐ, ฐานทําให้จิตสงบทําให้จิตผ่องใสเราออกจากการเจริญเมตตาเราจะไปตรึกเจริญวิปัสสนาก็ได้ไปตรึก สภาวะธรรมอธรรมะนั้นมาคบคิดมาวิจัยอมาพิจารณาออกจากเมตตาไปเจริญพุทธคุณออกจากพุทธคุณเจริญนิพพานอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องหมายความว่าต้องมีข้อมูลต้องมีความเข้าใจนะแต่ว่าในเบื้องต้นก็คือทําเมตตาภาวนาให้เกิดขึ้นหนึ่งหนึ่งประการที่สามก็คือการพิจารณาถึงความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนาลองพิจารณาอย่างนี้นะว่ามันจะเหี้ยดเป็นเหตุแห่งการละพยาบาทได้ ยกตัวอย่างเช่นว่าเราเห็นคนบางคนก็ทําช่วยทั่ ว, วทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นไปด้วยกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตถ้าเราเห็นเขาทาอย่างนี้เราก็รู้ทันทีแล้วว่าคนทํากรรมเช่นใดก็ย่อมได้รับผลของการกระทําเช่นนั้นรักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ามองเห็นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของขอ ง, ของตนการมองเห็นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเนี่ยเออถ้าพิจารณ์ว่าทุกคนเนี่ย เกิดมาด้วยแรยงของกรรมนแล้วก็กําลังจะไปก็ได้ผลของการกระทำท่านนั้นเช่นถ้าหากว่าเรามองเห็นคนดื่นสุลาเมีอะไรเนี่ ย, ยแล้วก็นึกรู้ได้ทันทีว่าเออนี่เขาทําเหตุแห่งความเป็นบ้านนั่เนเงี้ยนะหรือถ้าหากว่าเราเห็นเขากําลังทําบาปนัดิบาตเนี่ยเออเนี่ยทําเหตุแห่งการที่เป็นคนอายุสั้นหรือว่าเป็นเหตุแห่งการที่จะต้องไปทุกข์ทรมานเพราะโรคภัยใข้เจ็บ เห็นคนเขากําลังรักเนี่ยผิดศีลข้อที่สองเนี่ยแล้วก็บอกโอ้เนี่ยจะทําให้ตัวเองวิบัติย่อยยับเพราะทรัพย์สมบัติเป็นตนน้อนอะไรเนี่ยคือเราเรามองตรงนี้เราก็รู้แล้วบอกว่าการกระทํำของเขาก็เป็นเหตุทําให้เขาผิดหวังและทําให้เขาสมหวังเนี่ยเนี่ยหรือถ้าหากเขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมเป็นตน้นอันนี้แล้วก็บอกโอ้เนี่ยท่านผู้นี้ต่อไปเขาจะเจริญรุ่งเรืองเป็นตนน้อนอะเนยตรงนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เบียดเสร็จเราก็ไม่จําเป็นต้องเบโกรธเขาเลย เพราะถ้าเราโกรธเราก็ไปทํากรรมไม่ดีนี่เขาทํากรรมดีหรือไม่ดีเหล่านั้นเน่ะเขาก็เป็นผู้รับผลของกรรมคือการกระทําอย่างนั้นเบใช่อย่างนี้เขาเรียกว่าการพิจารณาถึงความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นประการที่สี่ก็คือการกระทําให้มากซึ่งการพิจารณาก็ การต้องการจะราพยาบาทคือพิจารณาเยอะๆคำว่าพิจารณาเยอะๆก็หมายความว่าเอามาไข่ครวนให้ดีแล้วพยาบาลจะไม่เกิดคนที่โกรธง่ายๆคือคนคิดน้อยนะอย่าไปคิดอะไรมากก็งั้นเขาว่าเราเราก็ว่าตอบเงี้ยเองยแต่ถ้าคนเอามาพิจารณาดีๆเอเขาว่าเรามาก็ทํากรรมไม่ดีของเขาไปแล้วถ้าเราจะว่าตอบเราก็ไปทํากรรมไม่ดีร่วมกับเขาเออเราจะไปทํากรรมไม่ดีร่วมกับเขาทําไมเนาเนี่ย อันนี้ก็เรียกคนคิดมากคนคิดมากไม่ใช่ไปคิดมากแบบปุ้งๆนะม่ใช่คิดแบบว่าคือใข้ควรเอาเหยียดผลประการที่ห้าก็คือการควรบกัลยาณมิตรถ้าเราใครที่เป็นกัลยาณมิตรมีพระธรรมคําคสอนแล้วก็สมาคมก็ดกว่าทีนี้ประการที่หกเนี่สุดท้ายทยี่สําคัญมากได้เจาพยาบาทได้หรือไม่ได้พูดแต่เรื่องที่สบายๆเรื่องที่เป็นสปายะเรื่องที่จะเป็นไปกับเมตตาเช่น คื อ, อการเจริญเมตตาไม่ดีนะการโกรธกันนี่จนะไม่ดีนะถ้าสนทนาแบบเนี้ยในที่สุดจริงๆล้าพยาบาทได้หมดสมมุติทําทยังไงก็ล้าไม่ได้เราไปนั่งคุยกับคนที่เขาคุยเรื่องแบบนี้น่ะเข้าล้าได้หมดแหละแต่อย่าไปคุยกับคนพยาบาทนะเออไม่ได้มันต้องแก้แค้นอะไรเงี้ยท่เงียเสียเลยพยาบาทมันจะยิ่งเกิดมันต้องไปคุยกับคนที่เขามีสปยายยะคถาที่คุยเรื่องเมตตา โดยสรุปก็คือว่าพยาบาทคือความคิดปองร้ายมุ่งร้ายต่อการให้ผู้อื่นที่นาาหรือก็ผู้บําเพ็ญเพียรจะลับได้โดยเมตตาการแผ่เมตตาความปรารถนาดีไปให้แก่เขาแสดงความหวังดีด้วยการพูดด้วยการกระทําแต่การจะทําดีต่อบุคคลที่ทําให้ตนเองโกรธและพยาบาทนั้นเป็นเรื่องที่ทํายากหรือทําง่ายเนี่ยยากหรือง่ายทำยาก ดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องพิจารณาให้แยกคายถึงความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเนี่ยเขาทําดีเย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วตนเองก็เป็นไปยนในยะเดียวกันการที่ตนเองปรารถนาถึงบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งแล้วก็ทํากรรมชั่วไม่สมควรโดยบาราอะไรทั้งปวงแต่ในทางตรงกันข้ามไม่ว่าจะเป็นการปลารอบเพุดีหรือไม่ดีก็ตามควรทํากรรมดีแต่โดยส่วนเดียวเพราะทราบเนี่ยชัดว่าทําดีต้องได้ดีเนี่ยแล้วก็คบแต่เพื่อนที่ดีแล้วก็ กัลยานามิเป็นต้นเหล่านี้ลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการเจริญด้วยการแผ่เมตตาและจะได้เป็นไปแห่งการละพยาบาทเออในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่พยาช้างฉัดทันเออเรื่องธรรมปรารักษมารก่อนคือการที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้เป็นใหญ่ใช่ไหมดํารงเพศเป็นบรรพชิตและอดกลั้นทีนี้ท่านก็เล่าอีกเรื่องหนึ่งนอกจากขันติวาตีดาบทท่านก็ไปเรื่องอีกเรื่องหนึ่งใน อยู่แล้ธรรมปาแลชาดกคือพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นธรรมปาและกุมารนวนะก็เป็นทารกยังนอนหงายอยู่คือนอนแดกเ บ, บาอยู่เนี่ยนะทีนี้ต่อมาก็ถูกพระเจ้ามหาปตาปะผู้เป็นพระบิดาเนี่ยมีพระราชบัญชาให้ตัดพระหัตถ์และพระบาททั้งทั้งสองเป็นสี่อย่างก็คือบอกว่าให้ตัดมือตัดเท้าลูกชายของเาเองสาเหตุก็คือว่า ตอนที่พระราชาองค์นี้เสด็จมาเนี่ยมารดาไม่แม่เนี่ยไม่ถวายบังคมมัวแต่ดูแลลูกอยู่โอบลูกอยู่เงี้ยโกรธมากคือพระราชบิดาเนี่เป็นคนโทสะจริต ก, ก็โอ้โหขนาดยังน้อยๆ ย, ยังเห็นเราไม่มีความหมายถ้าโตขึ้นมาเนี่ยเราคงไม่อยู่ในสายตาของนางนี้เนี่ยอย่ากันนั้นเลยราชกุมารเนี่ยว่ากคนเนี้ให้ตัดมือตัดเท้าก จะ ไ, ได้ไม่ต้องมาเป็นพระราชาหม า, หาการิย์ดดวงกันเถอะคือให้ตัดมารดาซึ่งมารดาก็ร่ำขําครวนร้องไห้อยู่แล้วก็บอกข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพแขนทั้งสองข้างของพ่อธรรมปาระผู้เป็นราชายาสในแผ่นดินซึ่งไหล่ทาและด้วยรถแห่งจันหอมกำลังจะข่าวไปอยู่แล้วหม่อมฉันจะหาชีวิตมิได้อยู่แล้วพะเยะเพคะดัง คือร้องไห้เนอะแม่ก็ร้องไห้ก็บอกบอกแคพระเจ้ามหาปตาปะพระเจ้ามหาปตาป่าก็ก็ไม่สงสารแล้วก็มีพระราชองคการอีกว่าจงตัดศีรษะมันเสียเหมือนกันฝ่ายธรรมปาลกุมารเนี่ยนะไม่ได้แสดงออกถึงความตกอ ก, อกตกใจนะี่ยท่านคิดในใจของท่านยังไงรู้ไหมท่านคิดว่าอันนี้เด็กน้อ ย, อ ย, อยที่นอนเบลออยู่ที่เป็นวัวที่สัตว์นี่เนะีท่านคิดว่าว่ขาขณะนี้เวลานี้ เป็นเวลาที่เจ้าจะต้องประคองรักษาจิตของเจ้าไว้ให้ดีนะโอ้โหนี่ทำได้ดีมากนี่เอาไปเป็นข้อคิดนะยามเราเกิดจะไประประสบเหตุภัยใดๆต่างๆก็ๆแล้วแต่ใช่ไหมจะได้เตือนใจตัวเองเนะี่ยเวลาเนี้ยเจ้าต้องประคองจิตใจของเจ้าไว้ให้ดีนะพ่อทํามาปาละพู้เยริเนี่เตือนตัวเองเนี่ยนะเราก็เอาชื่อเราใส่ก็แล้วกันเวลาเราตกใจเอาชื่อเราใส่กันไว้ก็เรียกชื่อเราบก็เออเรา เวลานี้ถึงเวลาที่เราจะต้องประคองจิตใจของเราไว้ให้ดีนะก็ใส่คาว่าเจริญก็้าบัดนี้เจ้าจงทาใจให้เสมอในบุคคลทั้งสี่ให้เสมอคือไงหนึ่งพระราชบิดาผู้บัญชาให้ตัดศีรษะสองราชบุรุษที่จะตัดศีรระเราสามมารดาที่กำลังทรงร่ำรไรลำพันธ์สี่คือตอนเองสี่คนไหมทำ ทำเมตตาให้เกิดขึ้นเสมอเหมือนกันเลยรักพระราชบิดาไหมที่กําลังสั่งให้ตัดศีรษะของตนเองรักรักแบบจับจิตจับใจด้วยนะรักราชบุรุษที่กําลังยกมีดดาวขึ้นมาจะตัดคอตนเองรักไหมรักอย่างจับจิตจับใจเหมือนกันรักมารดาที่กําลังร่ําไรลําพันธ์อยู่ไหมรักแบบจับจิตจับใจรักตนเองไหมรักไม่มีความรู้สึกโกรธอาฆาตหรือพยาบาทเลย วางใจให้เสมอกับบุคคลทั้งสี่จำพวกฉะนั้นการที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมนุษย์แล้วยังทรงอดกั้นต่อการทารณุณกรรมต่างๆจากศัตรูเหมือนอย่างในเรื่องที่ยกมาแสดงเนี่ยเป็นเรื่องที่อัศจรรย์อัศจรรย์ถึงอย่างนั้นยังมีเรื่องที่อัศจรรย์กว่า น, นี้อีกนะการที่พระโพธิสัตว์หรือพระบรมศาสดาท่านบำเพ็ญเมตตาบารมีมาเป็นต้นเหล่าเนี้ย ตอนที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาช้างฉัตรทันต์ตับแม้พระองค์จะถูกนายพานยิงด้วยลูกศร อ, อันกำทราบด้วยยาพิษหน้าที่ตรงเสดย์เนี่ยนะก็ไม่ได้ขุนเคืองใจในนายพานผู้ทําความพิราธให้แก่ตนเองนั้นพญาช้างฉัตรทัน์กล่าวไว้บอกว่าคือมันอย่างนี้ก่อนที่จะกล่าวนายพานเนี่ยถูกมเหสีของพระเจ้าเวนดินบอกว่าอยากจะได้งาของช้างฉัตรทันนายพานนี้ก็เลย รับอาสาไปพอรับอาสาไปเสร็จก็ไปสังเกตดูว่าช้างโขงเนี้ยมันอยู่ที่ไหนก็รู้ว่ามันมายืนอยู่ตรงนี้ทุกวันพอมันออกไปหากินก็ไปขุดหลุมก็ไว้แล้วออกไม้แผ่นกระดานวางก็เจาะรู ก, ก็ไว้ตรงที่ช้างฉัตทันยืนค่อมอยู่พอถึงเวลามันก็มายืนอยู่ตรงนั้นนะก็ใช้ธนูใช้ลูกศร อ, อาบยาพิษนี่แทงขึ้นมาเแบบทีต่ตรงสะดือเนี่ยนะพยาช้างสัตว์ทันก็ ทันก็ร้องพวกช้างเหล่านั้นก็วิ่งมาว่าเออเป็นอะไรก็เลยบอกให้ไปหาศัตรูข้างนอกกันให้หมดแต่ตนเองรู้แล้วว่าไอ้ลูกศรมันวิ่งมาได้ท้องนี่กว่าแม้จะถูกทิ่มแทงด้วยลูกศรเป็นอันมากแล้วก็ไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายในพานต่อมาก็ใช้เท้ากระทืบกระดานแล้วก็ยกในพานขึ้นมาแล้วก็พูดกับในพานอย่างอ่อนหวานบอกว่าพ่อสหายนี้ต้องการอะไรหรือท่านยิงเราเพราะเหตุแห่งสิ่งใดหรือ ตามที่ท่านมาหน้าที่นี้แล้วทําแก่เราอย่างนี้ไม่ใช่เป็นด้วยอํานาจของท่านเองดังนั้นการพยายามทําเช่นนี้ท่านทําเพื่อพระราชาองค์ใดหรือเพื่อมหมาหมัดองค์ใดนี่จริงๆก็เลยบอกว่าพระมรุสีต้องการงานท่านจริงๆท่านก็บอกว่าโอ้จริงๆขอดีๆก็ให้ไม่เห็นต้องมาทําร้ายเลยเงี้ยเนี่ยก็เลยให้ในายพานตัดตัดงานแล้วก็ยังเอาไปส่งถึงเราเปล่าดิ ดูดูนิจใจเออเราสมมติไม่ต้องอะไรนะสมมติมีมีโจรขึ้นบ้านเราก็ก็ไปทำร้ายเราเราก็พูดกับโจรดีๆว่าไม่จะเอาอะไรบอกว่าอยากได้อะไรก็เอาไปแล้วแถมไปเปิดของให้อะไรให้นี่ <c oughs> โอ้โหมันใจยอย่างนี้จริงๆนะใจถ้าใจกรอบวที่ศาสตร์ษษใจเราอาจจะมองโอ้โหทำสิ่งที่ทำได้ยาก แต่ว่าเราทําไม่ได้แต่ท่านทําได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพญากระบี่เป็นลิงได้ช่วยมนุษย์คนหนึ่งที่ขึ้นจากเหวจนรอดชีวิตแล้วบุรุษนั้นเองก็ได้คิดทะยศต่อวานานนั้นก็คือหมายความบอกว่าพอเขาจะตกเหวใช่ไหมริงตัวนี้ว่าไปช่วยพญาโพธิสัตว์พอช่วยขึ้นมาแล้วเนี่ยไอคนนั้นมันตกอยู่นานมันหิวมันนึกในใจว่าเนื้อลิงเนี่ยกินได้ ก็เลยเอาก้อนหินทุบ ห, หัวลิงเลยโอหน้ำตาไหลเลยลิงเกือบตายแล้วแล้วก็ว่านอนนี้เป็นอาหารของมนุษย์ได้ว่า ง, งคิดอย่างนี้แล้วก็จะฆ่าคิดไปบอกว่าเออท่าเราได้กินเนื้อของลิงนี่เราก็จะพ้นว่า ง, งั้แล้วก็จะสามารถพ้นรอดจากตายแล้วก็จะคันแล้วก็ก็ยกก้อนศิลานะั่งทุ่มกระหม่อมของพระยาโพธิสัตว์นี่เนี่ยไปพระโพธิสัตว์จ้องมองดูบุรุษนั้นด้วย ด้วยตาทั้งสองด้วยน้ําตานองหนะ้าด้วยความกรุณาว่าเจ้าคนนี้เป็นคนอันตรภานัททุศร้ายมิตรแล้วก็พูดกับเขาด้วยปรารถนาดีวิญญาณนะท่านท่านเป็นแขกสําหรับข้าพระเจ้าท่านยังสามารถทํากรรมอันหยาิช้าทารุนทํานองนี้ได้ท่านยังจะอยู่ไปอีกนานควรจะช่วยห้ามคนอื่นๆเขาเสียด้วยโอ้ยังเตือนอย่างเงี้ยโดนท่มตุ่มกัไปเนี่ยน้ําตาไหลเลยนะแล้วก็ ยังช่วยเขานะแล้วก็พูดปลอบใจอหญ่ให้เขาทําอย่างนั้นแล้วยังช่วยเขาออกจากแนวป่าไปได้ยเนี่ยใจของโพธิสัตว์ถ้ายัางเราทำได้ไมไม่ได้เลยใช่ไหมคือไม่โกรธไงเนี่ยเพ่อโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้คิดประทุษร้ายในบุรุษนั้นยังได้คิดห่วงถึงความลําบากช่วยบุรุษนั้นให้พ้นจากทางธุรกันดานจนถึงสถานที่อันกเกษมแล้วก็ปลอดภัยไปได้อันนั้นเป็นเรื่องที่ห้าถ้าเรื่องที่หกนี่ยนะ นี่เอามาเล่าแบบเย่ยอๆพญานาชื่อภูริภูริทัตตาพระโพธิสัตว์เนี่ยมีอยู่ชาตินึงนะเป็นพญานาชื่อว่าภูริทัตตาพอเกิดเป็นพญานาภูริทัตตะก็ได้อธิษฐานอุโบสถศีเมื่อพอถึงวันพระสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำแปดค่ำก็จะขึ้นมาในโลกมนุษย์แล้วก็มาอธิษฐานอุโบสถศีลมานอนขดอยู่จอมปลวกนี่นะทีนี้พวกพรามที่เป็นหมองงูก็เอาโอสถ มีพิษเหมือนไฟประไรยกันเนี่ยนะราดที่ตัวเดีเอาน้ำยาเอาน้ำยามาราดที่ตัวกระทืบด้วยเท้าเท้าไมอ่อนกำลังแล้วก็จับใส่ช่องเล็กๆ เ, เอาไปเล่นกลดูีิเอาไปเล่นเพื่อไปสแสดงเพื่อจะหาเงินทีนี้ไปทั่วชมพูทวีปเลยนะในยุคนั้นเนี่ยนะ พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพญายนาคไม่ได้แสดงอาการแม้แต่เพียงขัดเคืองในใจแก่ในาพาหมประการใดเลยเพรางั้นกับหมองูชื่อว่าอารัมพนะจับเราใส่ในข้องเล็กๆ ก, ก็ดีย่ําเหยียบเราด้วยส้นเท้าเพื่อให้อ่อนกําลังลงก็ดีเราไม่ได้โกรธเคืองหมองูอารัมพนะทั้งนี้เพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดกระท้อนกระแท่นไปท่านรักศีลของท่านมาก ท่านไม่โกรธเพราะโทสะนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อศีลทีนี้เราท่านทั้งหลายใช่ไหมสมาทานศีลกันเนี่ยนะก็ต้องก็ต้องรักษาศีลให้ดีว่าอโทสะอีกตัวพยาบาทความโกรธนี่อะไรมันเป็นปฏิปักษ์ต่อศีลถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทําให้ศีลเสียหายหรือศีลขาดนเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราดูจากเรื่องตรงนี้และอีกเรื่องหนึ่งนะเกิดเป็นพยานาคไม่ใช่เป็นพยานาคชื่อว่าจำเปยักษ จำเประยะแม้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นจำเประยะกะนั้นก็เหมือนกันถูกหมองูทรมานเบียดเบียนอยู่ต่างๆนาๆนานเนี่ย น, นแม้ชาติที่เป็นจำเประยะกะหน้าคราชนั้นเราก็ได้ประพฤติธ ร, รมจำอุโบสถศีลมองหมองูจับเราไปเล่นกลอยู่ที่ประตูพระราชวังหนึ่งเขาประสงค์จะให้เราแสดงเป็นสีอะไรก็เป็นเขาต้องการจะให้เราเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสดเราก็คอยตะไปตามใจของหมองูนะั้น คือถ้าเขาบอกว่าเอ้าให้เป็นสีแดงนะแกก็พญานาคนี่ก็ทำสีให้เป็นสีแดงเนะยคือคือเขามีพญานาคนี่เขาสามารถเปลี่ยนสีแดงนะเปลี่ยนสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างเนี่ยนะเขาก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเพราะถ้าเปลี่ยนสีได้อย่างเงี้ยคนดูก็ตบมือชอบใจใช่ไหมที่เขาทำอย่างนี้ก็เพราะว่าแล้วในใจเขาคิดยังไง ร, รู้ไหม บอกว่าเราสามารถเราบอกว่าเราก็คล้อยตามไปเรามีความตั้งใจอยู่ว่าคอยหมอนี้หมองูเนี่ยจงได้ลาบมากๆคือก็คิดอย่างนั้นด้วยนะฉะนั้นการเจริญเมตตาดังที่ได้กล่าวบอกพวกเราตรงเนี้ยที่บอกว่าสมมุตินะถ้าเราจะแผ่เมตตาให้กับใคร เ, ออเราต้องรู้ว่าท่านคนนี้เขาหวังอะไรเขาปรารถนาอะไรเหมือนงูเนี่ยเหมือนใบยานางเนี่ยแคแผ่เมตตาให้หมองูเนี่ยแครู้ว่าหมองูอยากได้ลาบเยอะ แกก็น้อมจิตแผ่เมตตาไปให้บอกว่าความปรารถนาของมองงูที่ปรารถนาลาสกาละปรารถนาข้าวของรางวัลทั้งหลายเนี่ยเนี่ยก็ขอให้สมความปรารถนาเถอะแกก็ส่งเมตตาไปในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเนะ่ทีนี้เวลาเราจะแผ่เมตตาให้กับบุคคลอื่นก็ต้องแผ่ไปลักษณะอย่างนี้เหมือนกันหนึ่งรู้ความประสงค์ของเขาเอากลัวไหมถ้าเราจะแผ่เมตตาเขาให้เขารวยกว่าเราเยอะๆกลัวเขาจะรวยกว่าเราไหม กลัวป่ะหรือให้เขารวยเนี่ยแต่ให้น้อยก็เราบาทหนึง่งคือก็ให้เข้าไปทั้งหมด่ะให้เขาให้สมบงังให้เขาสมปรารถนาแต่ให้เขาอย่างใจจริงเลยเนะี่ยถ้าทําได้อย่างนี้แสดงว่าเมตตาออกฤทธิ์ออกผลแล้วแต่ถ้าไปแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยแบบประเภทที่กักเขาไว้สักนิดนึงเข้าใจกันบ้างก็คือให้ไม่หมดนะก็กลัวว่าเราอู่เราอุสาแผ่เมตตาใช่ไหมพลังจิตของเราก็มีด้วยอย่างเงี้ย ถ้าเราไปคิดอย่างนั้นถ้าเขาสมหวังจริงๆตายเลยอย่างเงี้ไปคิดงี้ไม่ได้เนี่ยฉะนั้นใจของเมตตาก็คือต้องให้เขาจริงๆมีไหมเราแผ่เมตตาให้คนอื่นให้เขาสมหวังให้เขาสมปรารถนาให้เขามีความสุขปราศจากทุกมีใจเบิกบานพอคิดไปอย่างนี้แล้วก็คิดแบบเล่นๆ น, นี้ไม่ได้ต้องคิดน้อมใจไปจริงๆไอตรงนี้ถ้าหากว่าใจยังไม่ค่อยได้อบรมเนี่ยแผ่ไม่ค่อยได้เลย มันแผ่แผ่ไปแล้วมันมีขีดจํากัดแต่ถ้าหากว่าทําได้จริงๆแล้วมันจะไม่จํากัดเหมือนในไหมขนาดพระโพธิสัตว์เนว่ยขอให้หมองูนี้จงได้ราบมาก ๆ, ๆและด้วยอนุภาคของเราเราสามารถที่จะบรรดาลให้ที่ดอนกลายเป็นน้ําก็ได้แม้บรรดาล น, น้ําให้กลายเป็นที่ดอนก็ได้ถ้าเราจะขุนโกรธเครื่องเจ้าหมองูเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้เขากลายเป็นเท่าฐานชั่วครู่ก็ได้แต่ถ้าเราจัดตกอยู่ในอานาจของอกุโสรกิจเท่านั้น เราก็จะเสื่อมจากศีลเมื่อเสื่อมจากศีลเราความปรารถนาชั้นสูงสุดคือการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่สําเร็จความประสงค์ท่านคิดของท่านอย่างนี้เบ็ยดเสร็จท่านก็ไม่กลงเขาเรียกว่าเขามีจุดที่เขาหวังสูงสุดเขาไว้เนี่ยอย่างเราอะเราก็คิดบอกว่าถ้าเราโกรธเราก็จะไม่ได้ความเป็นมนุษย์เป็นต้นใช่ไหมเมื่อถ้าเราโกรธเขาเราพยาบาทเขาเราฆ่าเขา ตามเป็นมนุษย์ในพบต่อไปเราก็ไม่ได้รเราจะมาทําลายตัวเองทำไมเราคิดอย่างนี้เราก็ปรารถนาเหมือนกนันนะหรือเราบอกคือเป็นอะไรช่างหัวมันเดนย่นอยู่เรียบร้อยเลยยังไงขอให้โกรธที่น้อมใจสักครั้งเดี๋ยวมันอย่างนั้นค่อยมาแก้ไขที่หลังเคยคิดแบบนี้ไหมอย่างนี้คิดไม่ดีต้องแก้ไขใหม่ถ้าไปคิดแบบนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือพระาหน้าชื่อสังคปาละเป็นเรื่องที่ห้า พระโพธิสัตว์เสวยบระชาติเป็นพญานาคชื่อสังคปาละพระโพธิสัตว์สังคปาละนั้นถูกบุตรของนายพรานสิบหกคนช่วยกันเอาหอกอย่างแหลมทิ่มแทงเข้าที่ลําตัวแปดแห่งแทงเข้าไปแล้วก็เอาเครวันที่เป็นหนามร้อยเข้าไปตามรูแผลแทงแทงรูแผล้ารู้แล้วเอาเชือกร้อยเลยนอะเอาเคร เ, เอาเอาเถาวันเอาเชือกร้อยอย่างนั้นเนอะ เอาเชือกอย่างมั่นคงเนี่ยนะเหนียวเข้าทางรูจมูกแล้วก็ช่วยกันลากไปที่รูจมูกก็ยัาเชือกร้อยอย่างละลอกร้อยอย่างวัวปลายด้วยเนะี่ยลําตัวโคตรสีไปกับพื้นพระโพธิสัตว์สังฆปาระได้เสวยทุกเวทนาอย่างใหญ่หลวงแม้พระโพธิสัตว์จะสามารถบรนดาลให้บุตรของนายพรานเหล่านั้นแหลกละเอียดเป็นเท่าทุลีได้วิธี แต่เพียงโกรธและจ้องมองดูเท่านั้นแต่พระโพธิสัต์ก็ไม่ได้ทำความโกรธเคืองหรือลืมตาจ้องมองดูเขาเหล่านั้นดูก่อนนาย阿拉ล拉 ะ, ะ, ะเราอยู่จำอุโบโสถศีลเป็นนิดนี่เนี่ยเออพระโพธิสัตว์นี่ท่านถึงสิบสี่ค่มสิบห้าคั่มแปดคั่มท่านจะถื อ, อโบสถศีลเป็นนิตศีนของท่านเลยถือเป็นปกติอะไรว่างาั้นเถอะ เออเราถ้าทําอย่างนี้ได้ดีมากนะพอถึงอุโบสถจะศีลเราก็สมาทานอุโบสถวันหนึ่งเออชีวิตคารวะเนี่ยต้องทําอย่างนั้นนะพราะเดือนหนึ่งเนี่ยก็มีกค่สี่ครั้งเลยใช่ไหมแปดค่ำสิบห้าค่ำสิบสี่ค่ำเออล้วก็เขาก็สมาทานเคยทําอย่างนี้ไหมถ้าทํานี้อานิสงส์เยอะ คราวครั้งนั้นได้มีบุตรของนายพล16คนพากันถือเชือกแล้วก็บวงอย่างมั่นแล้วก็เหนียวไปหาเราแล้วก็เขาได้ช่วยกันร้อยจมูกของเราฉุดดึงเชือกที่ร้อยจมูกตึงเราทั้งหมดแล้วก็ลากเราไปทุกอย่างใหญ่หลวงถึงเพียงนั้นเราก็อด อ, อดกลั้นไว้ได้ไม่ยอมทำให้วัวสดศิลของเราําเริ่มแล้วก็เศร้ามองเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระบรหมาสดา ไม่ใช่จะทําสิ่งที่น่าอาศัศจริย์ไว้ที่ยกมาแสดงเป็นตัวอย่างนี้เท่านั้นฉะนั้นพระองค์บําเพ็ญจริยาวัดอันน่าอาศัศจริย์มีอย่างอื่นๆไว้เป็นอีกมากมายในชาดกต่างๆเนี่ยนะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะสามารถละพยาบาทละโทสะและละความโกรธได้โดยอาศัยพระจริยาวัดของพระบรมศาสดาที่เป็นพระโพธิสัตว์นี่เองประการที่เจ็ดก็คือว่าพิจารณาถึงความสัมพันธ์กันในสังสารวัฏ ่็สามารถที่จะลัโทรศัพได้กลุ่มเหล่านี้คือการเจริญเมตตาให้บุคคลที่เป็นคู่เวรกันนีคือเจริญเมตตาให้กับตนเองมันก็ไม่โกรธอยู่แล้วเจริญเมตตาให้กับบุคคลที่เราเคารพนับถือก็ดีอยู่แล้วเจริญเมตตาให้คนที่เป็น ก, ากลางๆสมมุติว่าเจริญได้แล้วสามารถยกระดับบุคคลที่เป็นกลางกางมาเปมาเมตตาแบบจับจิตจับใจได้ทีนี้ประการที่สำคัญก็คือว่าเจริญเมตตาให้กับบุคคลที่เป็นคู่เวรกั น, น, นตรงเนี้ย ถ้ามันเจริญไม่ได้พอเจริญไปที่ไรมันก็โกรธก็ให้พิจรารณาตามลําดับดังที่ได้กล่าวนี่แหละเอาจริยาวัดของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่เคยเกิดเป็นเด็กน้อยบ้างเกิดเป็นกัดเดราร์านเป็นต้นเหล่านี้ว่ายังไม่สังยังไม่โกรธนอกจากไม่โกรธต้องยังไม่พอนะ ย, ยังปราถนาให้บุคคลที่กระทํำมิดีมิร้ายกับตนเองนั้นให้ประสบลาบสกาลาเยอะๆเนี่ยก็น้อมจิตไปในการเจริญเมตตาอย่างนีน้ถ้ามันยังไม่หายอย่างเราท่านทั้งหลาย ท่ายัางละพยาบาทละโทสะไม่ได้ก็ให้พิจารณาถึงความเป็นธาตุของกิเลสอันยาวนานในสังสารวัฏหลายร้อยหลายแสนกับชาติก็ให้พิจารณาถึงตัวของเราเองแล้วกับบุคคลตั้งหลายที่เกี่ยวข้องกันกันกบเราท่านทั้งหลายและที่เราโกรธอยู่ในขณะเนี้ยก็บอกว่าเออท่านเหล่าเนี้ยในสังสารวัฏที่ผ่านมาอันยาวนานเนี่ยนะแม้จะได้พิจารณาถึงคุณคือจริยาวัฏของพระบรมโพธิ์ พระศาสดาปางก่อนด้วยวิธีต่างๆมาสักเท่าใหสมมติว่าความโกรธมันไม่สงบลงมันไม่หายไปนเนี่ยเนี่ยก็ให้พิจารณาถึงความสัมพันธ์กันในสังสารวัตรคาว่าสังสาระหรือสังสารวัตรนี่มาจากคาว่าอะไรเขแปล บ, บอกว่าความเป็นไปของขันธาตุอายตนะที่หมุนเวียนติดต่อกันไม่ขาดสายนั่นแหะเขาเรียกว่าสังสารวัตรเขาเรียกว่าสังสารวัตรฉะนั้นการหมุนเวียนกันโดยไม่ขาดสายนเนี่ยเนี่ย นั่นละเขาเรียกว่าสังสารวัตรที่เอาเรื่มที่สี่สิบสามนั้นถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นนะว่าไอ้สังสารวัตรเนี่ยบอกว่าความเป็นไปของขันทาตศยตนะสืบเนื่องติดตอ่อถ้ามองอย่างเราท่านทั้งหลายก็คือการเวียนไหวตายเกิดทีนี้การเวียนไหวตายเกิดนเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าสังสารวัตรเนี่ยบุคคลเมื่อพิจารณาถึงสังสารวัตอันยาวนาน เมื่อพิจารณาถึงสังสารวัตรันยาวนามอย่างนี้แล้วนะบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสเขาไว้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้นั้นที่จะไม่เคยเป็นมารดากันไม่เคยเป็นบิดากันไม่เคยเป็นพี่น้องชายกันไม่เคยเป็นพี่น้องหญิงกันไม่เคยเป็นบุตรกันไม่เคยเป็นธิดากันไม่ใช่สิ่งที่หาได้งา่ายหาได้ไม่ง่ายเลยจากพุทธพจน์ตรงนี้แสดงให้เห็นว่า ก็สามารถมานำมาพิจารณาได้ได้ยินว่าสมมติถ้าเราโกรธท่านผู้นั้นเป็นผู้หญิงเนี่ยนะสมมติเราคนที่เราโกรธคนที่เป็นคู่เวรกับเราคนที่เราไม่พอใจคนคนนั้นเป็นผู้หญิงได้ยินว่าสตรีผู้นี้เคยเป็นมารดาของเรามาในชาติต่างก่อนคิดอย่างนี้นะคิดตามพุทธพจน์เนี่ยนะว่าโอ้ท่านผู้นี้เคยเป็นแม่เรามานะในชาติก่อนได้บริหารรักษาเราอยู่ในคันตลอดสิบเดือนนะ เราได้อาศัยคันของท่านผู้นี้อยู่สิบเดือนได้ช่วยล้างเช็ดตัสวะอุจจาระน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นให้แก่เราโดยไม่รังเกียจเห็นสิ่งที่ปฏิกูลเหล่านั้นเป็นเหมือนฝุ่นจันท์หอมช่วยาาประคัประคองให้นอนอยู่ในระหว่างอกอุ้มเราไว้ในบันเอลเนี่ ย, นะย เ, เนี่ยสนะเอลเนี่นะทนุทนอมเลี้ยงเรามาด้วยเป็นอย่างดีด้วยประการชนี้เออถ้าพิจารณาอย่างนี้ไอความรู้สึกโกรธมันหายเรานึกว่าโอ้โหเราได้เคยอาศัยท้องของท่านผู้นี้มาสิบเดือนนะ แต่มันคิดไม่ถึงใช่ไหมเอาอย่างเรามองดูถ้าเราโกรธใครสักคนเนี่ยถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าคนคนคนที่ไม่เคยเป็นแม่เราไม่เคยเป็นพ่อเราไม่เคยเป็นพี่ชายน้องหญิงเป็นต้นเหล่าเนี้ยไม่มีเราบอกเออถ้าคนคนนี้เคยเป็นแม่เราเนี่ยเราเคยนอนในทอน้องของคนคนนี้สิบเดือนถ้าบอกให้นอนสิบเดือนเนี่ยนะโอหแล้วเขาบริหารคันเราม า, า, ออออมาแล้วออกคลอดออกมาแล้วยังเช็ดพิจรารณาเราเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นึกจะ น, นึกไม่ถึงอ่ะทาไมคิดไม่ถึง